ต้องเพียนทรงทรงเพียนได้มากแ้่เราไม่เพียนมันก็ไม่รู้ไม่รู้หรอกไม่รู้ตามความเป็นจริงว่ามันเป็นยังไงได้แต่ฟังว่าจาได้แล้วก็ฟังบ้งางไม่ฟังบ้างแต่การใช้ชีวิตมันจะเพืิอเพืินเจริญใจ จะส่งจิตออกนอกเป็นสมุทัยเป็นเหตุที่เกิดทุกข์ผลจิตออกส่งออกนอกเป็นทุกข์จิตส่งออกนอกเปนสมุทัยเป็นเหตุเกิดทุกข์ผลจิตออกนอกเป็นทุกข์มันจะส่งจิตออกนอกกายนอกใจเราหมดมันจะไม่ไม่อยู่ในกายในตัวเราจิตมันจะส่งออกนอกหมดต้องฝึกทำไมฝึกไม่ได้ผลเหมือนเราจําได้หมดเลยเหมือนเป็นนักกีฬาเราเป็นนักกีฬาจําได้หมดเลยทุกอย่าง่นักกีฬาเก่งเก่งเลิอดปานาดก็ะดาม จำวิธีการได้หมดเลยจำวิธีการชกมวยวิธีการวิ่งแข่งวิธีการเล่นแบดเล่นเทนนิสตีกอล์ฟหรือเป็นนักดนตรีจาได้หมดเลยโดยเรนมีปาตราซีโดแล้วใช้เล่นได้ไหมไม่ได้แบบเดียวกันจิตใจเ่ยเรียนให้ตายก็คือจําได้แค่นั้นเองเหมือนนักกีฬาจําได้ว่าเล่นแบบไหนนักดนตรีจาได้ว่าเล่นอย่างไงเพราะเขาก็จริงเล่นไม่ได้ธรรมะมันการท้าเรียนอย่างเดียวฟังอย่างเดียวไม่ลงมือปฏิบัติจริงๆไม่ซ้อมลงมือปฏิบัติการฝึกก็คือการซ้อมถ้าไม่ซ้อมจริงๆก็ชกไม่ได้แล้ว โจกก็คือคู่ชกก็คือกิเลสพอเจอกิเลสก็หงายเพราะว่าอะไรขณะซ้อมมาแน่ๆจะกิเลสจะหงายท้องเลยต้องซ้อมเหมือนนักมวยก่อนจะขึ้นเวทีก็ต้องซ้อมอย่างหนักเลยเึืจะอานะผู้ต่อสู้ได้คู่ต่อสู้ของเราคือกิเลสกิเลสเกิดขึ้นในใจทุกขณะปัจจุบันลงจิตออกนอกไปหาลูกล้มจินเสีย ง, งสัมปัสสีธรรมารมกิเลสทั้งนั้นมันไม่สติตั้งดีใจดูที่ใจดูที่ใจละที่ใจปล่อยวางที่ใจสติตั้งที่รู้ตั้งที่รู้ รูลื่นที่ไม่ได้รู้ไม่ปรากฏตัวตนไม่ปรากฏรูปร่างไม่ปรากฏอะไรเลยสติตั้งที่รู้แต่แต่รู้รู้ไม่มีตัวตนนี้มีรูปร่างไม่มีอะไรเลยอยู่กับรู้อยู่กับรู้อยู่กับรู้อยู่กับรู้หมดสติอยู่กับรู้อยู่กับรู้ไม่งั้นไปอยู่กับสิ่งที่ถูกรู้หมดไปอยู่กับอารมณ์ที่ถูกรู้หมดอยู่กับรู้อยู่กับเสียงอยู่กับกลิ่นอยู่กับรสอยู่กับสิ่งที่สัมผัสอยู่กับอาการของใจอาการของกายอยู่กับธรรมอารมณ์มันสตงิตออกนอกส่ิออกนอกอย่างนี้เป็นกิเลสหมดแพ้แกิเลสไม่สติตั้งที่ใจรู้ที่ใจร อยู่ก็รู้อยู่กับรู้ที่ไม่เคลื่อนที่ไม่ปรากฏอาการใดๆไม่ปรกฏกิริยาการใดรู้คิดไม่ได้รู้ไม่ใช่คิดคิดไม่ใช่รู้รู้ไม่ใช่คิดคิดไม่รู้รู้ไม่คิดรู้ก็ได้แต่รู้ต้องฝึกนะต้องฝึกอย่างหนักเหมือนกับจะขึ้นชกกับกิเิ่งกู้ต่อตู้เราไม่ฝึกกับภายแพ้อย่างเดียว